จุปั น, นาติตาวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลร้อหอนุทุกขะสัตว์ของบุคคลใดกําลังดับสมุทญาสัตว์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุทญาสัตว์ของบุคคลใดเคยดับทุกขะสัตว์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห and and ่งจิตในประวัติการและในพังคะขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทญาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ทุกขสัตย์ไม่ใช่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจิติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทญาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและทุกขสัตย์ก็กําลังดับอนุทุกขสัตย์ของบุคคลใดกําลังดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิ บุค galaxies, บคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขศา์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่ ions, <t ark> assim, er มรรคศาสไม่เคยดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขศา์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและมรรคศาสก็เคยดับปฏิมรรคศา์ของบุคคลใดเคยดับทุกขศา์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิตในปวัติการและในพังคะขณะแห่งมากและผลในรูปภูมิมรรคจิกรของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ทุกขสั์ไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังจิติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคจิกรของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและทุกขสั์ก็กาําลังดับร้อยเจอนุสมุทญาสั์ของบุคคลใดกําลังดับ มกษัติของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุในพังค์ฆขณะแห่งตันหาสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่มกษัตริย์ไม่เคยดับบุคคลผู้ได้บรรลุในพังค์ฆขณะแห่งตันหาสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและมกษัตริย์ก็เคยดับปฏิมกษัตริย์ของบุคคลใดเคยดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหม วิบุคคลผู้ได้บรรลุในอุปาทคณะแห่งตันหาเมื่อจิตที่วิปยุจจากตัญหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติมรรคศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สมุทัยศัสตร์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้ได้บรรลุในพังคคณะแห่งตันหามรรคศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสมุทัยศัตร์ก็กำลังดับอนุโลมโอกาสร้ออนุ ทุกษัตริ์ในภูมิใดกําลังดับอนุโลมปุคโลกาดร้อยเกอนุทุกษัตริ์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสมุทัยศัสตร์ของบุคลลบบคลใ น, นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิทุกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่สมุทัยศาสตร์ไม่เคยดับ บุคคลนอกนี้ผู้กําลังจุติจากจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังคขคณะแห่งจิตในประวัติการทุกขศาสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและสมุทัยศาสก็เคยดับปฏิสมุทัยศาสของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับทุกขศาสของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทัยศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ทุกข์ศาสตร์ไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังคคณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและทุกข์ศาตร์ก็กําลังดับอนุ ทุกขสัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมรรคศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิในพังคฆะขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังคฆะขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กําลังจุติจากอจัญณสัตตภูมิทุกขศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มรรคศัตร์ไม่เคยดับ บ, บุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังค ข, ขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขศาสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมรรคศาสก็เคยดับปฏิมรรคศาสของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับทุกขศา์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทาคณะแห่งจิตในประวัติการและในพังค์าขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิ มรรคสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ทุกศาสตร์ไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังนาณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและทุกศาสตร์ก็กําลังดับร้อยสิบอ น, นุสมุททยศาสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมรรคสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิ ในพังค์ขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทรยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่มรรคศาสตร์ไม่เคยดับในพังค์ขณะแห่งตันหาบุคคลผู้ได้บรรลุสมุทรยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมรรคสตร์กร็เคยดับปฏิมรรคสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสมุทรยศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิ ในอุปาทาขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่มรรคศาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สมุทยัยศา์ไม่ใช่กำลังดับในพังฆาขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคศาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสมุทยัยศาสก็กาลังดับปัจจ尼กะบุคคลร้อยสิบเอ็ดอนุ ทุกขัสสะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยดับทุกขัสสะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับมีไหมวิไม่มีอนุทุกขัสสะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมรรคัสสะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติ ในอุปาทัคขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังค์ทขณะแห่งมรและผลในรูปภูมิทุกขศาสของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มรรคศาสไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทัคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขศาสของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและมรรคศาสก็ไม่เคยดับปฏิมรรคศาสของบุคคลใดไม่เคยดับ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 อนุสมุทัยศัสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิในอุปาทาขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติสมุทยัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มรรคศัตร์ไม่ใช่ไม่เคยดับในอุปาทาขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุ เมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตว์ภูมิสมุทยัสสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคสัตย์ก็ไม่เคยดับปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยดับสมสรรุทยัสสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับรรใช่ไหมวิในพังฆาณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับแต่สมุทยัสสัดไม่ใช่ไม่กำลังดับ ในอุปาทขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิตยุจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมคัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับและสมุทัยศัตว์ก็ไม่ใช่กำลังดับปัจเจเน ก, กโอการ้อยสิบสามอนุทุกขสัตด์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับปัจเจเนกปุขโลการ้อสิบสอนุ ทุกขัสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจกวการภูมิในอุปาทาขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังฆาคณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สมุทัยสัจไม่ใช่ไม่เคยดับ ในอุปาทขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่เคยดับปติสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับทุกขัสสะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งอุปาติจิต ของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั ladder, น้นไม่เคยดับแต่ทุกขส <erin Fold pepp ant> ัตว์ไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุปาทัคขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังดับอนุ ทุกขัสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับมัคขัสัจของบุคคลนั้ในใ น, ในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคะขณะแห่งมรและผลในรูปภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มัคขัสัจไม่ใช่ไม่เคยดับในอุปาทขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิ บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทัคณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิทุกขสัสสะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคัสสะก็ไม่เคยดับปตฏิมรรคัสสะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับทุกขสัสสะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังค ข, ขณะแห่งอุปาิจิต ข, ของบุคคล ผู้อุบัติอยู่ในสุดทาวาสภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขั้นขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่ทุกสัตว์ไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทัคขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดทาวาสภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติ ในอุปาทัคคณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและทุกขสั์ก็ไม่ใช่กำลังดับร้อหอนุสมุทญาสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับมรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิในอุปาทัคคณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ได้บรรลุ เมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่สมุทัยสัย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มรรคสัจไม่ใช่ไม่เคยดับเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่ในอุปาทขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับ และมรรสก็ไม่เคยดับปฏิมรรส์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสมทุทัยสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิในพังค์ฆาคนะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมรรส์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สมทุทัยสั์ไม่ใช่ไม่กําลังดับเมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัตยในสุท่าวาสภูมิเป็นไปอยู่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 จ, จุปันนานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อยสิบกอนุทุกษะของบุคคลใดกําลังดับสมุทยาสัตว์ของบุคคลนั้นก็จกดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งอรหัตมรรมและในพังค์ขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใด ในพังค์ขณะแห่งจิตนั้นทุกขศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ซึ่งกําลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและสมุทัยสัตว์ก็จักดับปฏิสมทุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับทุกขศาตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคะขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิสมุทัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ทุกขศาสตย์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและทุกขศาสตย์ก็กำลังดับอนุทุกขศาสตย์ของบุคคลใดกำลังดับมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิ ในพังค์ขขณะแห่งอรหัตมักและในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มักซึ่งกําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจักรของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่มรรคจักรไม่ใช่จักดับบุคคลจักได้อรหัตมักในลําดับแห่งจิตใดในพังค์ขขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักซึ่งกําลังจุติในพังคขขณะแห่งจิตในประวัติการ ทุกขสัตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและมรรคศัตร์ก็จักดับปฏิมรรคศัต์ของบุคคลใดจักดับทุกขศัตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิในอุปทาทขณะแห่งอรหัตมรรคบุคคลจักได้มรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกํำลังอุบัติในอุปทาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคะขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิ มรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ทุกขสัจไม่ใช่กำลังดับบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกาลังจุติในพังคขัณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับและทุกขสัจก็กำลังดับร้ออนุสมุทัยสัจของบุคคลใดกาลังดับ มรรคจ hey. well, ัตรของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค์ฆาคนะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มรรคจัก์ไม่ใช่จักดับในพังค์ฆาคนะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทัยศัตตร์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมรรคจัก์ก็จักดับปฏิมรรคจัก์ของบุคคลใดจักดับสมุทัยศัตตร์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหม วิในอุปาทภณะแห่งอรหัตมัคบุคคลจักได้อรหัตมัคในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทภณะแห่งจิตนั้นในอุปาทภณะแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มัคเมื่อจิตที่วิปยุจจากตัญหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอ า, ญญาศนญสสัตตภูมิมัคขจั์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมุทยสัตว์ไม่เช่็ดกำลังดับ ในพังค์ขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักมัคจักของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทยาสักก็กำลังดับอนุโลมะโอกาศร้อยสิบแปอนุทุกขสักในภูมิใดกำลังดับอนุโลมะปุคะโลกาศร้อยสิบเกอนุทุกขสักของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสมุทยาสักของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิ ในพังค์ขณะแห่งอรหัตมรักและในพังค์ขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญัตต ภ, ภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กําลังจุติจากจะตุโวการะภูมิและปัญจะโวการะภูมิ ในพังค์ขาคณะแห่งจิตในประวัติการทุกขศักดิ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและสมุทัยสัตว์ก็จับดับปฏิสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับทุกขศัตดิ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการและในพังค์ขาคณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิ สมุททะยัสสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่ทุกขสัตย์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากเจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังคักขณะแห่งจิตในประวัติการสมุททะยัสสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและทุกขสัตย์ก็กำลังดับอนุทุกขสัต์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับมรรคสัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิ ในพังค์ขขณะแห่งอรหันตมรคและในพังค์ขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จากไม่ได้มรคซึ่งกําลังจุติในพังค์ขขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กําลังจุติจากอบายภูมิและอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มตรคสัจไม่ใช่จากดับในพังค์ขขณะแห่งมรคในปัญจโวการภูมิ บุคคลจักได้อรหธรรมคในลำดับแห่งจิตใจในพังคะขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรคซึ่งกำลนงจุติในพังคขณะแห่งจิตในปวัติการทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมรรคสัจก็จักดับปาฏิมรรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดจักดับทุกขสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุ ป, ปาทัคขณะแห่งอรหธรรมค บุคคลจักได้อรหัตรมมรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรคซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคฆคณะแห่งมรคและผลในรูปภูมิมรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่ทุกขสัจไม่ใช่กำลังดับในพังคฆคณะแห่งมรคในปัญจโวการภูมิบุคคลจักได้อรหัตรมมรคในลำดับแห่งจิตใด ในพังค์าขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าเอ่ญผู้จักได้มักซึ่งกำลังจุติในพังค์าขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและทุกสัจก็กำลังดับร้ 120. อยี่สิบอนุสมุททยสัจของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับมรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค์าขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิ และบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักสมุทัยศาสตร์ตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มรรคศัตร์ไม่ใช่จักดับในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักสมุทัยศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและมรรคศาสตร์ก็จักดับปฏิมรรคศาสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสมุทัยศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดั บ, ใ, บ, e ดบใช่ไหมวิ ในอุปาทัคขณะแห่งอรหัตมัคบุคคลจักได้อรหัตมัคในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทคขณะแห่งจิตนั้นในอุปาทขณะแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มัคเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่มัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สมทุทัยสัตไม่ใช่กำลังดับในพังคะขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มัมคมัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ และสมุทยาศาตว์ก็กําลังดับปัจจนีนกะบุคคลร้อยสิบออนุทุกศาตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสมุทยาศาตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทัคขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคะขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สมุทยาศาตว์ไม่ใช่จักไม่ดับ ในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรักและในอุปาทคณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจับได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นและในพังคคคณะแห่งมรักและผลในรูปภูมิทุกขศักของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสมุทยศักก็ไม่ใช่จักดับปฏิสมุทยศักของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขศักของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหม ในพังค์ขขณะแห่งอรหัตมรรค์และในพังค์ขขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตธรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ขขณะแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกสัตว์ไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรรค์และในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตธรรมค์ในลำดับแห่งจิตใด ในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นในพังค์ขณะแห่งอรหตัตมรัคและอระหัตผลในอรูปภูมิสมุทัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขศาสตร์ก็ไม่ใช่กำลังดับอนุทุกขศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้น บุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการในพังคะขณะแห่งมรักและผลในรูปภูมิทุกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ม ร, รรคษัตริย์ไม่ใช่จักไม่ดับในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักได้มรักซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการ และในพังค์ฆาคนะแห่งอรหัตมรักและอรหัตผลในอรูปภูมิทุกษะัตดิ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคศัตดิ์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิมรรคศัตดิ์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกษะัตดิ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังค์ฆาคนะแห่งอรหัตมรักและในพังค์ฆาคนะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรักซึ่งกำลังจุติ ในพังค์ขขณะแห่งจิตในประวัติการมักกะจิกรของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขสัจไม่ใช่ม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มักซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังค์ขขณะแห่งอรหันตมักและอรหันตผลในอรูปภูมิมักกจักของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสั์ก็ไม่ใช่กำลังดับ ร2ออนุสมุทธยาสั์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมักจักของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอาราตมักบุคคลจับได้อาราธมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นในอุปาทขณะแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิป ย, ยุจจากปัญหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสมุทเทียสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มตรรสัดไม่ใช่จักไม่ดับในพังคฆะขณะแห่งอรหัตมัคอรหันตบุคคลในอุปาทฆขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นผุุ้ชนซึ่งจักไม่ได้มัชเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ สมุทาาัยสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคสัจก็ไม่ใช่จากดับปฏิมรรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่จากดับสมุทัยสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งตัญหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคมรรคสัของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่ไม่กำลังดับในพังคะขณะแห่งอรหัตมรรคอรหันต์บุคคล ในอุปาทาขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัตอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิมักขสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสมุทยสั์ก็ไม่ใช่กำลังดับปจเนกโอการสิบอนุทุกขสัจในภูมิใดไม่ใช่กาลังดับ ปั จ, จเนียกะบุคคลโอกาอนนกตร้อสิบอนุทุกสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสมุทยัตา์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตัววัวการภูมิและปัญจวโวการภูมิในอุปาทาขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคะคณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิ ทุกษัตริของบุก ค, คลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สมุท ย, ยสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรักและในอุปาทคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นและในพังคะขณะแห่งอรหัตมรักและอรหัตผลในอรูปภูมิบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิ ทุกขศักดิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสมุทัยศัตดิ์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิสมุทัยศัตดิ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขศักดิ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังค์าคณะแห่งอรหัตมรรค์และในพังค์าคณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตธรรมค์ในลำดับแห่งจิตใดในพังค์าคณะแห่งจิตนั้น บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกข์สัตย์ไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทคขณะแห่งอรหัตมรัคและในอุปาทคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทคขณะแห่งจิตนั้นและในพังค์คขณะแห่งอรหัตมรัคและอรหัตผลในรูปภูมิบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิ สมบทยศ ส, hey? สัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังดับอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรักในปัญจโวการภูมิบุคคลจักได้อรหัตมรักในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักซึ่งกําลังอุบัติ ในอุปาทัคขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังค์คขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มรรคษัตริย์ไม่ใช่จักไม่ดับในอุปาทาขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคเส่งกําลังอุบัติในอุปาทัคขณะแห่งจิตในประวัติการ และในพังค์าคณะแห่งอรหัตมรัคและอาราหัตผลในรูปภูมิบุคคลผู้กำลังอุบัติในอบายภูมิและอสัญญาสัตภูมิทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคัิสะก็ไม่ใช่จักดับปติเมื่อขัสสะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขัสสะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังค์าคณะแห่งอาราหัตมรักษ ในพังค์ขาขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตุชนที่จากไม่ได้มรรคซึ่งกำลังจุติในพังค์ขาขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังจุติจากอบายภูมิและอสัญญัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่ทุกสัตว์ไม่ใช่เมื่อกำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคล บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตในประวัติการและในพังค์คณะแห่งอรหัตมรรคและอรหัตผลในรูปภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอบายภูมิและอสัญญาสัตตภูมิมรรคสิต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังดับร้ 125. อยี่สิบห้าอนุ สมุทยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับมหากสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรัมกในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นและในอุปาทขณะแห่งปัญหาของบุคคลเหล่าอื่นซึ่งจักได้มรักเมื่อจิตที่วิปยุจจากปัญหาเป็นไปอยู่สมทุทัยสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับ แต่มกษัตริย์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคฆาขณะแห่งอรหันตมรรคในอุปาทคขนาแห่งตันหาของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทยศของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและมกษัตริย์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิ มรรคสิจของบุคคลใดในภูม <crystal> ิใดไม่ใช <surface> ่จักดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทัยสัจไม่ใช่ไม่กำลังดับในพังคะขณะแห่งอรหันตมรรคในอุปาทคขณะแห่งตันหาของอรหันตบุคคล บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นผูุ้ชนซึ่งจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตัญหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมทุทัยสัจก็ไม่ใช่กําลังดับ นาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อยสิบอนุทุกขศสตร์ของบุคคลใดเคยดับสมุทยัยศาสตร์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักษ์อรหันต์บุคคลและบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นทุกขศสตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ สมุทยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสมุทยสัตว์ก็จักดับปฏิสมุทยสัตว์ของบุคคลใดจักดับวิใช่อนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดเคยดับมรรคสัต์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคาขาคณะแห่งอรหัตมรักอรหันต์บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรัก ทุกขศักของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่มรรคศักดิ์ไม่ใช่จักดับในอุปาทัคขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าเอื่นผู้จักได้มรักทุกขศักดิ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและมรรคศักดิ์ก็จักดับปฏิมรรคศักดิ์ของบุคคลใดจักดับวิใช่ร้อยี่สิบเจ็ดอนุสมุทัยศักดิ์ของบุคคลใดเคยดับ มรรคสัจของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพั ง, งาาค้าขณะแห่งอรหัตมรักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรักสมุทัย ส, สัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่มตรรคสัจไม่ใช่จักดับในอุปาทัคขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักสมุทัย ส, สัต์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ และมรรสก็จักดับปฏิมรรส์ของบุคคลใดจักดับวิใช่อนุโลมะโอการ้อยยี่สิบแปดอนุทุกขสัจในภูมิใดเคยดับอนุโลมะปุคโคลการ้อยี่สิบเกาอนุทุกขสัจของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตธรรมะอรหันตบุคคลบุคคลผู้จักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั park, ้นและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสมุทัยสัตว์ก็จักดับ สมุทยมัทยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิสมุทยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่ทุกขสัตว์ไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ใน จ, จตัจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและทุกขสัตว์ก็เคยดับอนุ ทุกขัสสของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับมรรคัสของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค์ขขณะแห่งอรหัตมรัคอรหันตะบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรักบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและอสัญญาสตภูมิทุกขัสสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่มรรคัสไม่ใช่จักดับในอุปาทัคขณะแห่งอรหัตมรัก บุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและมรรคัสสะก็จักดับปาฏิมรรคัสสะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับทุกขัสสะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิมรรคัสสะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่ทุกขสัจไม่เคยดับในอุปาทขณะแห่งอารหัตมัคบุคคลจักได้อารหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้ ม, มักมัคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและทุกขสัจก็เคยดับร้อยสามสิบอนุสมุทญาสัจของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับมัคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิ ในพังค์ขขณะแห่งอรหัตมรักอรหันต์บุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรักและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิสมุททยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่มกษัตริย์ไม่ใช่จักดับในอุปาท่าขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าเอื่นผู้จักได้มรัก สมุทยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและมรรคสัตว์่อจับดับปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสมุทยาศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดทาวาสภูมิเป็นไปอยู่มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สมุทยาศาตร์ไม่เคยดับในอุ ป, ปาทขณะแห่งอรหัตมัก บุคคลจักได้อาราธมักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักมากษัตริ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสมุทัยศัตว์ก็เคยดับปัจจินิกะ บ, บุคคลร้อสาเอดอนุทุกษัตริย์ของบุคคลใดไม่เคยดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมใหมวิไม่มีปฏิ สมุทยาสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับร้อยสามสิบสองอนุ สมุทรยศัสตร์ของบุคคลใดไม่เคยดับมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับมีไหมวิไม่มีปฏิมรรคศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่จากดับสมุทรยศัสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปัจเนกาโอกาดรสามสาอนุทุกขศาสตร์ในภูมิใดไม่เคยดับปัจจนกะปุคะโลกาดร้อยสาสิสี่ อนุท <N 1> e oui. ุกขัสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจักดับปฏิสมุทัยสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขัสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับอนุทุกขัสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับมรรคสัของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิจักดับปฏิมรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับร้อสาสิบห้าอนุสมุทญยสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับมรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่ สมุทรย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มกษัตริย์ไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทรย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมกษัตริย์ก็ไม่ใช่จักดับปาฏิมกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทรยศของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิในพังค์ณะแห่งอรหัตมัคอรหันต์บุคคล บุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิมรรคสัจของบุคนนบ ค, บบคล mon, าาคเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุททยาสั์ไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุททยาสั์ก็ไม่เคยดับนิโรธวาระจบ